โรสหัสสูตรว่าด้วยภิกษุกว่าพันรูปสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขครุงสาวัตถีพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ 1,250 รูปสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เราใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคถาอันประกอบด้วยนิพพานส่วนภิกษุเหล่านั้นต่างก็ใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเงี่ยโซสดสดับธรรมอยู่ครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคนี้ทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัด ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานกล้าวกล้าปลอบฉโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคถาอันประกอบด้วยนิพานส่วนภิกษุเหล่านั้นต่างก็ใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเงี่ยโซสดับทำอยู่ทางที่ดีเราควรจะสรรเสริญพระผู้มีพระภาคด้วยคะถาทั้งหลายอันสมควรณนะที่เฉพาะพระภาคเถิด ครั้งนั้นท่านพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะหฮมผ้าฉวียงบ่าปรนนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเนื้อความนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคตเนื้อความนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เนื้อความนั้นจงปรากฏแก่เธอเถิดวังคีสะครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้ทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรณนะที่เฉพาะพระพักว่าภิกษุกว่าพันรูปเข้าไปเฝ้าพระสุคตผู้ทรงแสดงพระธรรมอันปราศจากทุลีคือนิพพานอันไม่มีภัยแต่ที่ไหนภิกษุทั้งหลายฟังธรรมอันปราศจากมนิน ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีหมู่พิสุแวดล้อมทรงงดงามจริงพระผู้มีประภาพทรงพระนามว่านาคะเป็นพระเรือศีผู้สูงสุดกว่าเรือศีทั้งหลายทรงโปรยฝนอมตะธรรมให้ตกรดพระสาวกทั้งหลายข้าแต่พระมหาวีรเจ้าวางคีสะสาวกของพระองค์ ประสงค์จะเฝ้าพระาศาสดาจึงออกจากที่พักกลางวันมาถวายบังคมพระยุ ค, คลบาทของพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัถามว่าวังคีสะคาถาเหล่านี้เธอตรึกตรองไว้ก่อนแล้วหรือปรากฏแก่เธอโดยฉับพลันทันทีท่านพระวังคีสะทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ คาถาเหล่านี้ข้าพระองค์มิได้ตรึกตรองไว้ก่อนเลยแต่ปรากฏแก่ข้าพระองค์โดยฉับพลันทันทีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวังคีสะขอให้คาถาที่เธอไม่ได้ตรึกตรองไว้ก่อนเหล่านี้จงปรากฏแก่เธอยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดท่านพระวังคีสะทูลรับสนองพระดำรัสแล้วได้ทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาทั้งหลาย ซึ่งตนไม่ได้ตรึกตรองไว้ก่อนยิ่งขึ้นไปอีกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงครอบเงือนทางเป็นที่เกิดขึ้นแห่งมารทรงทำลายกิเลสเครื่องตรึงจิตตุ ต, ตปูท่านทั้งหลายจงดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงทำการปลดเลื่องกิเลสเป็นเครื่องผูกผู้อันตันหามานะและทิฏฐิอิงอาศัยไม่ได้ผู้ทรงจาแนกธรรมเป็นส่วนส่วนได้นั้น ความจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสทางไว้หลายอย่างเพื่อถอนโอคขเคเลตหากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสทางอมตะนั้นไว้แล้วภิกษุทั้งหลายผู้เห็นธรรมก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทําแสงสว่างให้เกิดทรงรู้แจ่มแจ้งได้เห็นนิพพานเป็นเหตุล่วงพ้นวิญญาณติติได้ทั้งหมด ครั้นทรงรู้และทําให้แจ้งจึงได้แสดงธรรมอันเลิศแก่ภิกษุผู้เดินทางไกลสิบรูปเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมไว้ดีอย่างนี้ท่านผู้รู้แจ้งธรรมทั้งหลายจะมีความประมาทได้อย่างไรเพราะเหตุนั้นแลภิกษุผู้ไม่ประมาทในคําสอนของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นพึงตั้งใจศึกษาทุกเมื่อ ปโรสหัสสูตรที่8จบเก้าโกนธั ญ, ญสูตรว่าด้วยพระอัญญาโกนธัญญะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเ ว, วุวน สถานที่ให้เหยื่อกระแตเข่โครงราชครื้ครั้งนั้นท่านพระอัญญาโกลธั ญ, ญะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับซึ่งท่านไม่ได้เข้าเฝ้านานแล้วได้หมอบลงแท้พระยุ ค, คลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียนกล่าวจุมพิษพระยุ ค, คลบาทของพระผู้มีพระภาคแล้วนวดเฟ้นด้วยมือทั้งสองและประกาศชื่อว่าฆ่าแต่พระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์ชื่อว่าโกนทัญญะข้าแต่พระสุขคตข้าพระองค์ชื่อว่าโกนทัญญะพระพุทธเจ้าข่าครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้มีความคิดดังนี้ว่าท่านพระอัญญาโกนทัญญะนี้นานๆจึงจะได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้หมอบลงแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวจุมพิษพระยุคลบาทแล้ว นวดเฟ้นด้วยมือทั้งสองและประกาศชื่อว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ชื่อว่าโกนทัญญะข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์ชื่อว่าโกนทัญญะทางที่ดีเราควรสรรเสริญท่านพระอัญญาโกนทัญญะด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรณนะที่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเถิดครั้งนั้นท่านพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะ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 ท่านพระวังคีสะได้สรรเสริญท่านพระอัญญากรุณัญญะด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรณที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระอัญญากรุัญะเถระผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าได้มีความปากบันอย่างแรงกล้าได้วิเวกซึ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขเป็นประจำเป็นผู้ไม่ประมาทศึกษาอยู่ ได้บรรลุสิ่งที่พระสาวกผู้ทำตามคำสอนของพระศาสดาจะพึงบรรลุได้ทุกรูปท่านพระอัญญากุลธัญะเทระมีอนุภาพมากได้บรรลุวิชาสามฉลาดในเจโตปริย า, ยานเป็นพุทธทาสาถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระศาสดาอยู่โกลธัญญสูตรที่เกจบ สิโมคลลานสูตรว่าด้วยพระโมคลลานะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณวิหารการลสิลาข้างภูเขาอิสิคิลิเขครุงราชครึอพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห0 0รูปล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ได้ยินว่าท่านพระมหาโมคลลานะใช้จิตของท่านตามพิจารณาจิตของภิกษุเหล่านั้นที่หลุดพน้น ไม่มีอุปธิครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคนี้ประทับอยู่ณวิหารกาลสศิลาข้างภูเขาอิสิคิลิเขกรุงราชครืพร้อมด้วยพิสุสงหมู่ใหญ่ประมาณห0 0รูปล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ท่านพระมหาโมคคลานะใช้จิตของท่านตามพิจารณาจิตของพิสุเหล่านั้นที่หลุดพ้นไม่มีอุปธิ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 พระสาวกทั้งหลายผู้บรรลุวิชาสามละมัจจุได้พากันแวดล้อมพระมหามุนีผู้ถึงฝั่งแห่งทุกข์ประทับนั่งที่ข้างภูเขาท่านพระมหาโมคลานะผู้มีฤทธิ์มากใช้จิตพิจารณากำหนดรู้จิตของพระขีนาสพเหล่านั้นที่หลุดพน้นไม่มีอุปธิได้พระขีนาสพเหล่านั้นพากันแวดล้อมพระมหามุนีโคดม ผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยสมบัติทุกประการทรงถึงฝั่งแห่งทุกข์เพียบพร้อมด้วยพระคุณมากอย่างโมคลานสูตรที่10จบ 11. คักคราสูตรว่าด้วย เรื่องเกิดขึ้นที่สะโบครณีชื่อครักคราสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ฝั่งสะโบครณีชื่อครักคราเขครุงจำปาพร้อมโดยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปอุบาสกประมาณ700คนอุบาสิการประมาณ700รคนและเทวดาหลายพันองค์ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคมีพระวันณนะ และมีพระยศรุ่งเรืองกว่าภิกษุอุบาสกอุบาสิกาและเทวดาเหล่านั้นทั้งหมดครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคนี้ประทับอยู่ที่ฝั่งสะโบครณีชื่อคัคราเขตกรุงจำปาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห0 0รอรูปอุบาสกประมาณ700ร้อคนอุบาสิ ก, กาประมาณเจรคน และเทวดาหลายพันองค์ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคมีพระวัร น, นะและมีพระยศรุ่งเรืองกว่าภิกษุอุบาสกอุบาสิก า, กกาและเทวดาเหล่านั้นทั้งหมดทางที่ดีเราควรสรรเสริญพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรณนะที่เฉพาะพระภักเถิดครั้งนั้นท่านพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะหมผ้าชวียงบาข้างหนึ่ง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 ได้ทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาอันสมควรณที่เฉพาะพระพักว่าข้าแต่พระมหามุนีอังคีรถพระองค์ไพรโรดล่วงโลกทั้งหมดด้วยพระยศเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่ปราศจากมนลทินสว่างจ้าอยู่บนท้องฟ้าที่ปราศจากเมฆหมอกข้คราสูตรที่11อจบ 12. วังคีสสูตรว่าด้วยพระวังคีสะสมัยหนึ่งท่านพระวังคีสะอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินกะเศรษฐีเคครุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระวังคีสะบรรลุอรหัตแล้วไม่นานเสวยวิมุติสุขอยู่ได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่า ในการก่อนเราเป็นผู้มัวเมากราบกรอนได้เที่ยวไปแล้วทุกบ้านทุกเมืองต่อมาเราได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาก็เกิดขึ้นแก่เราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงแสดงธรรมคือขันธ์อเยตนะาธาตุแก่เราเราได้ฟังพระธรรมของพระองค์แล้วจึงบวชพระมุนีได้ตรัสรู้พระโพธิญาณเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก แก่ภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายผู้ได้บรรลุได้เห็นนิยามธรรมการมาในสำนักของพระพุทธเจ้าของเราเป็นการมาดีแล้ววิชาสามอันเราได้บรรลุแล้วโดยลำดับคําสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทาแล้วเรารู้ขันธสันดานอันเราเคยอยู่ในการก่อนทิปจักขุยาณเราทำให้หมดจดแล้วเราเป็นผู้สําเร็จวิชาสาม บรรลุอิทธิวิทยานฉลาดในเจโตปริยาณยวังคีสสูตรที่12จบวังคีสสังยุตจบบริบูรณ์รวมพระสูตรที่มีในสังยุตตนี้คือ 1>, 1. นิขันตสูตร 2. อรารติสูตร 3. เปสลาติมัญ น, นาสูตร 4. อานันทสูตร 5. สุภาสิตะสูตร 6. สารีปุตตะสูตร 7. ปวรนาสูตร 8. ปโรสหัสสะสูตร 9. ก้โกนทัญญสูตรส0 โมคลานะสูตร 11. คคราสูตร 12. วังคีสะสูตร 9. วันะสังยุต 1. วิเวกสูตรว่าด้วยความสงัด ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งอยู่หนาราวป่าแห่งหนึ่งแควนโกศลสมัยนั้นภิกษุนั้นพักพรอยู่ในที่พักกลางวันตรึกถึงอโศกโลกอันเลวทรามซึ่งอิงอาศัยการครองเรือนครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อภิกษุนั้นประสงค์จะให้เธอสลดใจ จึงเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่แล้วกล่าวกับภิกษุนั้นด้วยคาถาว่าท่านต้องการความสังัดจึงเข้าป่าส่วนใจของท่านกลับพล่านไปภายนอกท่านเป็นคนจงกําจัดความพอใจในคนแต่นั้นท่านปราศจากความกําหนัดแล้วจักมีความสุขท่านมีสติทําไมไม่ละความยินดีเล่าเราเตือนให้ท่านระลึกถึงธรรมของสัตบุรุษ เพราะธุลีคือกิเลสประดุดบาดาลข้ามได้ยากความกำหนัดในการย่าได้ครอบงำท่านเลยนกที่เปื้อนฝุ่นย่อมสลัดละองธุลีที่แปดเปื้อนให้ตกไปชั้นใดภิกษุผู้มีความเพียรมีสติย่อมสลัดละองธุลีคือกิเลสที่แปดเปื้อนให้ตกไปชั้นนั้นลำดับนั้นภิกษุนั้นถูกเทวดานั้นทาให้สลดใจ เกิดความสลดใจแล้ววิเวกระสูตรที่หนึ่งจบ 2. อ, อุปทานสูตรว่าด้วยเทวดาเตือนภิกษุผู้เข้าพักผ่อนในที่พักกลังวัน สมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกสนสมัยนั้นภิกษุนั้นนอนหลับในที่พักกลางวันครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อภิกษุนั้นประสงค์จะให้เธอสลดใจจึงเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับภิกษุนั้นด้วยคาถาว่าท่านจงลุกขึ้นเถิดภิกษุจะนอนทําไม มีประโยชน์อะไรด้วยการหลับท่านเร่าร้อนเพราะกิเลสถูกลูกสอนเสียบแทงดิ้นรนอยู่มัวหลับอยู่ทำไมท่านออกปวดด้วยศรัท ธ, ธาใดจงเพิ่มภูณสศรัท ธ, ธานั้นเถิดอย่าตกไปสู่อำนาจแห่งความหลับเลยภิกษุนั้นกล่าวคาถาเหล่านี้ว่าคนเขาหมกมุ่นอยู่ในการมรมเหล่าใดการมารมเหล่านั้นไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนความหลับ จะพึงแผดเผาบรรประชิตผู้พ้นแล้วผู้ไม่เกี่ยวข้องในกามารมซึ่งจะยังสัตให้ติดอยู่ได้อย่างไรเพราะกาจัดฉันทราคะได้และเพราะก้าวล่วงอวิชาได้ยาานั้นจึงบริสุทธิ์อย่างยิ่งความหลับจะแผดเผาบรรประชิตได้อย่างไรความหลับจะพึงแผดเผาบรนประชิตผู้ไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความคับแค้นใจเพราะทำลายอาวิชาได้ด้วยวิชา และเพราะสิ้นอาสวะแล้วได้อย่างไรความหลับจะพึงแผดเผาบรรปะชิตผู้ปรารบความเพียรอุทิศกายและใจยอยู่มีความเพียรมั่นคงเป็นนิดผู้หวังนิพพานอยู่ได้อย่างไรอุปทานสูตรที่สองจบ สากัสปะโค ต, ตสูตรว่าด้วยพระกัสปะโคตสมัยหนึ่งท่านพระกัสปะโคตอยู่ในาราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกสนสมัยนั้นท่านพักผ่อนอยู่ในที่พักกลางวันได้กล่าวสอนในพรานเนื้อคนหนึ่งครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ในราว่านั้นมีความอนุเคราะห์วังดีต่อท่านพระกัสปะโคตรประสงค์จะให้ท่านสลดใจ จึงเข้าไปหาแล้วได้กล่าวกับท่านพระกัสปะโคตด้วยคาถาว่าภิกษุผู้กล่าวสอนในพรานเนื้อซึ่งเที่ยวไปตามซอกเขาผู้มีปัญญาน้อยไม่รู้เหตุผลในเวลาไม่ควรย่อมปรากฏแกเราประดุดคนเขาเขาเป็นคนโง่ถึงฟังทำอยู่ก็ไม่เข้าใจเนื้อความนั้นถึงมีประทีปสว่างอยู่ก็ไม่เห็นเมื่อท่านกล่าวทำอยู่ย่อมไม่รู้เนื้อความ ข้าแต่ท่านกัสปะถึงแม้ท่านถือประทีปอันสว่างตั้งสิบดวงเขาก็จกไม่เห็นรูปเพราะเขาไม่มีจักสุลำดับนั้นท่านพระกัสปะโคดถูกเทวดานั้นทำให้โลดใจเกิดความโลดใจแล้วกัสปะโคตสูตรที่สามจบ สีสามพหุละสูตรว่าด้วยภิกษุหลายรูปสมัยหนึ่งภิกษุหลายรูปอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกสนครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นอยู่จำพรรษาท่วนไตรามาสแล้วก็เลียไปสู่ที่จาริกครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในราวป่านั้นเมื่อไม่เห็นภิกษุเหล่านั้นก็คร่ำครวญถึงได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่า ความเยื่อใยย่อมปรากฏเหมือนความไม่ยินดีเพราะเห็นอาสนะมากมายเงียบสงัดสาวกของพระสมณะโคโดมเหล่านั้นผู้มีถ้อยคำไพเราะเป็นพระหูสูตรไปที่ไหนกันเมื่อเทวดานั้นกล่าวอย่างนี้แล้วเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวกับเทวดานั้นด้วยคาถาว่าภิกษุทั้งหลายไม่ติดในที่อยู่เที่ยวไปเป็นหมู่เหมือนฝูงวานอน ไปสู่แคว้นมคตและแคว้นโกศนบางพวกก็ไปสู่แคว้นวัชีสามพหุละสูตรที่สจบ 5. อาอ น, นันทสูตรว่าด้วยพระอานนท สมัยหนึ่งท่านพระอานนท์อยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโคศลสมัยนั้นท่านพระอานนท์อยู่รับแขกฝ่ายคราห์หัดมากเกินเวลาครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อท่านพระอานนท์ประสงค์จะให้ท่านสลดใจจึงเข้าไปหาท่านถึงที่อยู่แล้วเรียกล่าวกับท่านพระอานนท์ด้วยคาถาว่าท่านพระอานนท์โคตมะโคต ท่านจงเข้าไปยังสมถุมพุ่มไม้กำหนดนิพพานไว้ในใจเพ่งฌานไปเถิดและอย่าประมาทเสียงวิภาควิจารณ์ของคนจะช่วยอะไรท่านได้อานันทสูตรที่หจบ 6. อนุรุทธสูตร ว่าด้วยพระอนุรุทธะสมัยหนึ่งท่านพระอนุรุทธะอยู่นาราปารแห่งหนึ่งแควนโกศสครั้งนั้นเทวดาชั้นเดวดึงองหนึ่งชื่อชาลินีเคยเป็นพันยาเก่าของท่านพระอนุรุทธะเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะด้วยคาถาว่าท่านจงตั้งจิตของท่านไว้ในหมู่เทพชั้นเดวดึง ซึ่งพร่างพร้อมด้วยอารมณ์อันน่าใคร่ทั้งปวงที่ท่านเคยอยู่มาในการก่อนท่านผู้อันมูเทพยกย่องแวดล้อมเป็นบริวารจะงดงามท่านพระอนุรุท ธ, ธะกล่าวคถานี้ว่าเหล่านางเทพกัญญาผู้มีคติอันเลวดารงมั่นอยู่ในสักกายทิฐิสัตว์ทั้งหลายผู้มีคติอันเลวแม้เหล่านั้นก็ยังมีนางเทพกัญญาปรารถนา เทวดานั้นกล่าวด้วยคาถานี้ว่าเทพเหล่าใดยังไม่เคยเห็นสวนนันทนาวันอันเป็นที่อยู่ของพวกนรเทพผู้มียศชั้นไตรทศเทพเหล่านั้นยังไม่รู้จักความสุขท่านพระอนุรุทธะกล่าวด้วยคาถานี้ว่าเทวดาผู้เขาท่านไม่รู้แจ้งถ้อยคําของพระอรหันต์ทั้งหลายว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบระ ง, งับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขบัดนี้การกลับไปอยู่ในสวรรค์ของเราไม่มีอีกต่อไปตันหาดุดตตาขายในหมู่เทพของเราไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปอนุรุธทธสูตรที่หจบ เจ็ดนาคทัตตสูตรว่าด้วยพระนาคทัตตะสมัยหนึ่งท่านพระนาคทัตตะอยู่ณราบาแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นท่านพระนาคทัตตะ เข้าไปยังหมู่บ้านแต่เช้าและกลับมาหลังเที่ยงครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อท่านพระนาคทัตตะประสงค์จะให้ท่านสลดใจจึงเข้าไปหาท่านพระนาคทัตตะถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับท่านพระนาคทัตตะด้วยคาถาว่าท่านพระนาคทัตตะท่านเข้าไปยังหมู่บ้านตอนเช้าและกลับมาตอนกลางวัน ท่านเที่ยวไปเกินเวลาคลุกคลีกับคราหัสพลอยร่วมสุกร่วมทุกข์กับเขาเรากลัวว่าท่านพระนาคทัตะจะขนองสุดฤทธิ์จะพัวพันในตระกูลทั้งหลายท่านอย่าตกไปสู่อำนาจของม จ, จุราชผู้มีกำลังผู้กระทำชีวิตให้สิ้นสุดเลยลำดับนั้นท่านพระนาคทัตะ ถ, ถูกเทวดานั้นทำให้สลดใจเกิดความสลดใจแล้ว นาคทตสูตรที่7จ็จบ 8. กุลละคันีสูตรว่าด้วยหญิงแม่เรือนในตระกูลสมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศล สมัยนั้นภิกษุนั้นไปอยู่คลุกคลีในตระกูลแห่งหนึ่งเกินเวลาครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ในราวบานั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อภิกษุนั้นประสงค์ใจะให้ท่านสลดใจจึงเนรมิตเพศเป็นหญิงแม่เรือนในตระกูลนั้นเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่แล้วเดียกล่าวกับภิกษุนั้นด้วยคาถาว่าชนทั้งหลายต่างประชุมสนทนากันที่ใกล้ฝั่งแม่น้า ในศาลาที่พักในสภาและข้างๆถนนพวกเขาต่างพูดถึงดิฉันและท่านอย่างไรหนอภิกษุนั้นกล่าวคาถานิว่าแท้จริงเสียงที่เป็นฆาศึกมีมากท่านผู้มิตะบะต้องอดทนไม่ต้องเก้อเขินด้วยเหตุนั้นเพราะว่าสัตหาได้เศร้าหมองด้วยเหตุนั้นไม่แต่ผู้ใดมักสะดุ้งเพราะเสียงประดดดเนื้อสายในป่า นักปราดเรียกผู้นั้นว่ามีใจเบาวัดของเขาย่อมไม่สมบูรณ์กูละคารณีสูตรที่8จบกาวัชีบุตรสูตรว่าด้วยภิกษุวัชีบุตร สมัยหนึ่งภิกษุวัชีบุตรรูปหนึ่งอยู่หน้าราวป่าแห่งหนึ่งเขตกรุงเวสาลีสมัยนั้นในกรุงเวสาลีได้มีการละเล่นมโหรสพตลอดทั้งคืนครั้งนั้นภิกษุนั้นได้ฟังเสียงดนตรีที่บุคคลบรรเลงกล้องกองวานอยู่ในกรุงเวสาลีคร่ครวญอยู่ได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่าเราอยู่ในป่าคนเดียวดุดท่อนไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่าฉะนั้น ใครหนอจะเลขขวกวาเราในราตรีเช่นนี้ลำดับนั้นเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อท่านประสงค์จะให้ภิกษุนั้นสลดใจจึงเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับภิกษุนั้นด้วยคาถาว่าท่านอยู่ในป่าคนเดียวดุดท่อนไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่าฉะนนั้นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากยังรักท่านอยู่ ดุดสัต์นรกยินดีต่อผู้ที่จะไปสวรรค์ฉะนั้นลำดับนั้นภิกษุนั้นถูกเทวดาทำให้สลดใจเกิดความสลดใจแล้ววัชีปุตตะสูตรที่เก้าจบสิบ สัจชายสูตรว่าด้วยภิกษุผู้สาธยายธรรมสมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในาราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโคศลสมัยนั้นภิกษุนั้นเมื่อก่อนสาธยายมากจนเกินเวลาสมัยต่อมาท่านขนขวายน้อยอยู่เฉยเฉยปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ในราวป่านั้นไม่ได้ฟังธรรมของภิกษุนั้น จึงเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับภิกษุนั้นด้วยคาถาว่าภิกษุเพราะเหตุใรท่านเมื่ออยู่ร่วมกับภิกษุทั้งหลายจึงไม่สาธยายบทแห่งธรรมเพราะบุคคลฟังธรรมแล้วย่อมเลื่อมใสและสรรเสริญในปัจจุบันภิกษุนั้นได้กล่าวคาถานี้ว่าความพอใจในบทแห่งธรรมทั้งหลายได้มีแล้วในการก่อน จนถึงเวลาที่เรามาอยู่ร่วมกับบุคคลผู้ปราศจากราคะและเพราะตั้งแต่เรามาอยู่ร่วมกับบุคคลผู้ปราศจากราคะสัตว์บุรุษทั้งหลายรู้ทั่วถึงรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจึงได้กล่าวถึงการปล่อยวางอารมณ์นั้นๆสัจชา ย, ยสูตรที่10จบ สิอโยนิสโสมนานสิการสูตรว่าด้วยการมนานสิการโดยไม่แยบคายสมัยหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งอยู่ณรา่าแห่งหนึ่งแคว้นโคศล ส, สมัยนั้นท่านพักพรอนอยู่ในที่พักกลางวันตรึกถึงอกุศลวิตกอันเลวซามคือกามวิตกความตรึกเกี่ยวกับกรามพยาบาทวิตกความตรึกเกี่ยวกับพยาบาด และวิหิงสาวิตกความตรึกเกี่ยวกับวิหิงสาครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์วังดีต่อภิกษุนั้นประสงค์จะให้ภิกษุนั้นสลดใจจึงเข้าไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับภิกษุนั้นด้วยคาถาว่าท่านถูกวิตกเกาะกินเพราะมนิการโดยไม่แยกภายท่านจงละการมนิการโดยไม่แยกพาย และจงใคร่ครวนโดยแยบคลายเถิดท่านปรารบพระศาสดาพระธรรมพระสงฆ์และศีลของตนแล้วจะบรรลุความปราโมดปีติและความสุขโดยไม่ต้องสงสัยแต่นั้นท่านมากไปด้วยความปราโมดจะกระทรรมที่สุดแห่งทุกข์ได้ลำดับนั้นภิกษุนั้นถูกเทวดาทําให้สลดใจเปิดความสลดใจแล้ว อโยนิโสมนสิการะสูตรที่11จบ 12. มัชันิกระสูตรว่าด้วยเวลาที่ยงวันสมัยหนึ่งพิสุรูปหนึ่งอยู่หน้าราวป่าแห่งหนึ่งแขวงโกศล ครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ในราวป่านั้นก็ไปหาภิกษุนั้นถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพิกษุนั้นว่าเมื่อฝูงนกพากันพักร้อนอยู่ในเวลาเที่ยงวันป่าใหญ่ส่งเสียงประหนึ่งว่าโครูนครางอยู่เสียงโครูนครางแห่งป่าใหญ่นั้นปรากฏเป็นสิ่งที่น่ากลัวแก่ข้าพเจ้าภิกษุนั้นกล่าวคาถานี้ว่า เมื่อฝูงนกพากันพักร้อนอยู่ในเวลาเที่ยงวันป่าใหญ่ส่งเสียงประหนึ่งว่าโครวนครางอยู่เสียงโครวนครางแห่งป่าใหญ่นั้นปรากฏเป็นสิ่งที่น่ายินดีแก่เรามัชชันหิ ก, กะสูตรที่12บสองจบ 13. ปากะตินทรีสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ไม่สำรวมอินทรีสมัยหนึ่งภิกษุจำนวนมากอยู่ณราป่าแห่งหนึ่งแคว้นโคสนเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวโลเลปากล่าผู้จาพร่ำเพื่อหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตกวาดแว่งไม่สำรวมอินทรีครั้งนั้น เทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์วังดีต่อภิกษุเหล่านั้นประสงค์จะให้ภิกษุเหล่านั้นสลดใจจึงเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่ได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นด้วยคาถาว่าในการก่อนผู้ภิกษุสาวกของพระโคดมเป็นผู้อยู่เรียบง่ายไม่มากมากการสแสวงหาบิณฑบาตไม่มักมากสแสวงหาที่นอนที่นั่ง ท่านรู้ว่าสิ่งทั้งปวงในโลกเป็นของไม่เที่ยงจึงกระทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ส่วนท่านเหล่านี้ทําตนเป็นคนเลี้ยงยากกินกินแล้วก็นอนเหมือนคนที่โกงชาวบ้านหมกมุ่นอยู่ในเรือนของคนอื่นเขาพเจ้าทาอัญชิีต่อสงแล้วขอพูดกับท่านบางพวกในที่นี้ว่าพวกท่านถูกเขาทอดทิ้งแล้วเป็นคนอนาถาเหมือนเปรต ข้าพเจ้ากล่าวหมายเอาบุคคลพวกที่ประมาทอยู่ส่วนท่านเหล่าใดไม่ประมาทข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมท่านเหล่านั้นลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นถูกเทวดานั้นทำให้สลดใจเกิดความสลดใจแล้วปาคตินทริยสูตรที่13จบ